ต่อไปอีกองคหนึ่งครับองค์ที่25 <c oughs> นี่เกิดในศักยะตระกูลนะเป็นพวกศักยะก็ได้ได้ไดฟังธรรมเลื่อมใสมานานพอสมควรต่อมาได้บวชไม่ได้บวชพร้อมนะได้บวชในสำนักของพระนางประชาบดีบวชที่หลังครับไม่ได้อยู่ในกลุ่ม500เอาบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระหลานชีวิตก็ไม่มีอะไรลดผลนะองค์นี้เพียงแต่รู้ว่าเป็นชาวศักยะ <C oughs> นันพวกศักยะเนี่ยก็การเข้ามาสู่ล่มผ้ากาสาวพัฒนั้นต่างๆกันในระยะเวลาต่างๆกันด้วยเหตุผลต่างๆกันต่อไปองค์ยี่บหกชื่อว่าอภัยยะมาตุฮะตรงนี้ก็เห็นจะพิเศษน่ารับรู้หน่อยที่ชื่อว่าอภัยยะมาตุเนี่ยแปลว่าแม่ของพระอภัย <c oughs> อภัยไม่แย่อภัยมณีอภัยนี่คือเจ้าชาย อาภัยอย่างที่ปรากฏในอาภัยราชกุมารเคยได้ยินไหมอาภัยราชกุมารที่เมื่อก่อนไปเรื่อใสายเดลติยัไงครับแล้วก็ถูกเดลีิสั่งสอนมาให้มาล้มวาทาพระพุทธเจ้าก็มาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสคำเดียวหยุดเลยชะ ง, งักแพ้เลยเรื่องวาพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดคำชอบใจไม่ชอบใจละแล้วพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าคำใดจริงมีประโยชน์ คนฟังจะถูกใจไม่ถูกใจก็ตามเราเลือกการที่จะพูดแพ้เลยแค่นี้ไม่มีทางเลยที่เตรียมมามันรู้จะโตยังไงเลยเรื่อนสายนี่ละแม่ของเขาคนนี้เป็นแม่ของเขาและเรารู้จากในสูตรวนะ่อาอภัยจริญกุมารเนี่ยชื่อวร า, าจริญกุมารแปล ว, ว่าโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเช่นเดียวกับโพดีลเจราญกุมารโอรสต่างแม่แล้วก็พระเจ้าพิมพิสารเนี่ย ก, ก็เหมือนกษัตริย์สมัยก่อนขนาดคนวัดคนวานะ ก็ยังรู้สึกว่ายังชอบเที่ยวโสเภณีอยู่ไปประหลาดอยู่ร่วมกันคงจะเที่ยวมาก่อนนะนานแล้วก่อนพบพระพุทธเจ้าตามภาษาผู้ครองล่าแต่หนุ่มนะแต่ว่าโสเภณีที่ว่าเนี่ยก็เป็นโสเิณีระดับระดับสูงอนะระดับสูงอย่างนางอภิยมาตตเนี่ยอดีตนั้นเป็นโสเภณีบอกชื่อเดียก็ได้ชื่อจําไม่ยากหรอก คนไทยเอามาตั้งชื่อนี้พอสมควรชื่อว่าประุมบดีประตมบดีนะก็มีทั้งมีหลายคนนะแต่ว่าคนนี้นะชื่อเดียวกับหลายๆคนที่เป็นคนมีบุญญาพินิหารมากในหลายอื่นนางประุมบดีนี้เกิดที่เมืองอุดเชนีแล้วก็ได้ความว่านางเป็นคนสวยจึง ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นโศภินีความงามของน้ำได้ลือกระชอนไปในหมู่ของกษัตริย์ของพระราชาของผู้มีอิจฉกินแล้วก็ลือไปเข้าพรกกันของพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงปรารถนาอยากจะอภิรมด้วยก็จึงได้สเสด็จมาข้ามเมืองมาเลยก็มาอยู่ด้วยหนึ่งคืนอยู่ด้วยคืนเดียวแล้วก็ ผลก็ปรากฏว่ามีคันมีคันดังนั้นต่อมาเมื่อรู้ว่ามีคันพระเจ้ามีวิสานก็ส่งให้สิ่งแทนตัวพระธธรมรมลงว่าพอโตขึ้นก็ให้ลูกแล้วก็ให้ไปบอกไปหาไปหาพ่อพออายุเจ็ดขวบแม่ก็ส่งไปหาพ่อเมื่อส่งไปหาพ่อพ่อก็รับทุบเลี้ยงแต่งตั้งเป็นราชกุมารบำรุงเลี้ยงอย่างดีตามวิสัยของผู้เป็นพ่อผู้มีธรรม ต่อมาเนี่ยนางนี่เรามาพูดถึงตัวแม่ น, ะนางได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ออกบวชและการที่ได้ออกบวชเนี่ยใครเป็นคนทำให้บวชในนั้นท่านก็บอกว่าลูกชายลูกชายมาบวชก่อนเมื่อมาบวชแล้วก็ไปแสดงธรรม จนกระทั่งแม่ศรัทธาปรารถนาจะออกบวชเลยบวชแล้วแม่ก็เลยได้เป็นพระอาลัยโดยลูกช่วยเพราะฉะนั้นนี้นะ่ะไม่เสียแรงเลี้ยงหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า <c oughs> ชุดชายพระเหลืองลูกจริงๆขึ้นจากสังสารวัตออกจากสังสารวัตต่อไปองค์ที่ยี่บเจ็ดครับองค์ที่ยี่บเจ็ดนั้นชื่อว่าอ่ะพญาเดลีอ่ ะ, อ, ะองค์นี้นะเป็นชาวเมืองอุเชนีเหมือนกันแล้วก็ปรากฏว่าเป็นชื่อเป็นเพื่อนกับ นางปทุมวดีเมื่อตะ ก, กี้นี้นะเป็นเพื่อนแล้วก็ที่นางอภัยยามาตูวออกบวดนางก็ด้วยความรักเพื่อนผูกพันกับเพื่อนก็ออกบวดตามก็ไม่ใช่ไม่ถึงก็ไม่มีต่ตามก็มีต่ตายอยู่ด้วยแต่อาศัยเพื่อนเป็ น, เ ป, นเป็น ส, สังฆลิกเป็นผู้กระตุ้นนะถ้าเพื่อนไม่บวดตัวก็อาจจะไม่บวดในเมื่อเพื่อนบวดก็บวดเมื่อบวดแล้วก็ มาอันนี้จะพิเศษหน่อยครับ <c oughs> มาอยู่ที่เมืองอะไรจะคือนางได้เลือกมาอยู่ที่ป่าศรีตะวันผมก็พูดไปงั้นไม่รู้อยู่ตรงไหนแปลว่าป่าใหญ่และเลือกที่จะกระทาอสุภกรรมาฐานพระพุทธเจ้าทรงรู้และทรงอนุเคราะห์อันนี้ที่ผมได้ให้ข้อสังเกตแล้วว่าจะเล่าคือตรงนี้เรื่องหนึ่งรู้ว่านางเนี่ยมาเลือก ที่จะเพ่งอสุภาทีนี้อสุภาษเลือกให้เพ่งบางทีมันอสุภาในขณะนั้นเนี่ยไม่พอใช้งานอายุอสุภาไม่พอใช้งานพระพุทธเจ้าทําไงพระพุทธเจ้าทรงทำอิทธาพิสังขารทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของอสุภาจากลักษณะอสุภาตายใหม่ใม่เป็นอสุภาเปลี่ยนไปตามระดับนอสุภาษสิบเพราะฉะนั้นกรรมาฐานนานก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนจนกระทั่งได้ฌานได้ปฐมฌาน เอาปฐมฌานนั้นต่อวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่ป่าชา้าผีดิบนั่นเองโดยอาศัยการเกื้อกูลจากพระพุทตรจักรนันคนมีฤทธิ์เนี่ยก็จะเห็นว่าฤทธิ์เนี่ยช่วยแต่งอารมณ์ได้ด้วยให้อารมณ์นำอารมณ์ไปสู่ใจของสานุสิทธิ์ได้ด้วยต่อไปนะครับองค์ที่ในนี้ตกไปองค์มีองค์องค์ที่สิบเติมองค์ที่สิบเป็นตกไปองค์ชื่อว่าสามาเถรี ในเอกสารฉันจะตกหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะเก้าและสิบสามมาเถรีสามมาเถรีเนี่ยชื่อว่าสามมาสามานะก็ว่าเป็นเพื่อนรักของพระนางสามาวดีเป็นชาวโกสัมพีเช่นเดียวกันนางสามมาวดีนะั้นเราได้ยินพระเล่าบ่อยแล้วได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้อยู่ด้วยเมตตาใช่ไหม อยู่ด้วยเมตตาเป็นเอตทักขะแต่ว่าในสุดนางก็ตายด้วยชะตากรรมนี่เลยจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงอนิสงค์ของเมตตาสิบเอ็ดอย่างนะฟังแล้วก็เหลือเชื่อแล้วทําไมนางสามา ถ, ถึงมาโดนสิ่งที่อานิสงค์เมตตารับประกันว่าจะไม่ตายมาตายเพราะเหตุนนะรู้ไหมว่านางสามาตายเพราะอะไรนางสามาวัดดีตายเพราะอะไรพร้อมด้วยบริวารถูกเผาตาย ถูเผาตายเอาคนไหนว่าคนเจริญเมตตาแล้วพ้นนั่นพ้นนี่สาตรายาพิษภัยพิบัติอักคีภัยทำอะไรแล้วทำไมคนมีเมตตาเมตตามาปล่อยให้คนเจริญเมตตาตายอนาถาอย่างนี้ตอบว่ากำลังกำแรงเพราะว่าเคยไปเผาพระเจกไว้ เคยไปเผาเพราเจกไว้เป็นบุปรกรรมที่บริวารตัวก็ได้ทำร่วมกันจึงได้มาตายด้วยไฟเนี่ยเพราะนั้นไอ้คนเราเนี่ยมันจะตายด้วยอะไรเนี่ยบางทีนะกรรมมันแฝดมันก็นจะนกกรรมแล้วเขาจะต้องตายอย่างนี้เห็นชนกกรรมแล้วเห็นไอ้ไอ้ซุ่มก้างหลังมาเลยจะก็จะต้องต้องตายอย่างนี้บางทีก็ไม่ได้แฝดมันก็นจะนกกรรมมันมาเป็นอุปคาตกรรมเข้ามาตัดรอน ถ้าเอาถึงตายนะแ้วต้องเป็นหนุมกาตะกรรชุจอข้ามาแบบดาวหางไม่รู้เหนือรู้ใต้มรู้มาจากไหนรวดก็มาเลยมาถึงก็ชนโลกเพื่อตภาพเราให้ย่อยยับไปเพราะฉะนั้นอันนี้แหละอาจารย์กลังถึงบอกว่าพระเครื่องรางของสลังก็ไม่อย่างนั้นอาจจะหลวงพ่อคูณไม่ไม่ลดความไดเองหรอกใช่ไหมล่ะเห็นเขาเขียนจดหมายมาต่อว่าันหนังสือพิมพ์ เราเนี่ยงมงายแท้ๆอะไรย่างงี้เขาไม่เข้าใจเรือนี้ถ้ามันไม่ว่าไอ้คำขัดเนี่ละภัยแล้วก็ว่าเหมือนกันที่ผ่านๆมาเนี้ยใช่ไหมฮะอะไรๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่รับประกันว่าจะไม่ตายอาจจะตายหรือไม่ตายอยู่ที่เหตุปัจจัยอะไรบางอย่างประกอบด้วยแต่อันนี้เป็นเป็นอันหนึ่งที่ไม่มีอะไรเหนือกรรมถ้ากรรมนั้นแข็งกว่าธรรมะธรรมะเอาไม่อยู่ธรรมะที่ดูได้ หรือถ้ากรรมนั้นแข็งกว่าธรรมะแต่ธรรมะนั้นมีกุศลหนุนน ะ, ะทมส่วนหนึ่งกุศลหนึ่ก็ประคับประคองไปได้แก้ไขได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้สา ม, มานางสา ม, มาองค์นะี้เป็ น, เ ป, นเป็นเพื่อนและที่ออกบวชนะเพราะสลดใจที่เห็นความตายของเพื่อนนะบวชเพราะเหตนุนี้และเมื่อบวชแล้วก็ ได้มาบรรลุธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนันทโกไม่ใช่พระพุทธเจ้าแตพระนันท ก, กะที่ได้รับยกย่องเป็นผู้เลิศทางแสดงธรรมแก่พุกธุนีนะแสดงธรรมะให้ฟังให้โอวาดจากนั้นก็ไม่ได้บรรลุในที่แสดงธรรมบนจล า, าหรอกนนะก็บอกว่าตอนแสดงธรรมก็ได้อะไรๆจากโอวาทของท่านนันท ก, กะแล้วก็ ได้เก็บเอาไปสู่ที่หลีกเล่นปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์ในเจ็ดวันนี่เป็นฝีมือผลงานของพระนันตะที่ได้รับยกย่องว่าเลิศทางแสดงธรรมแก่ภิกษุณีจากนั้นองค์ยี่สิบเก้าชื่อว่าอัปราราสมาเถรีเป็นชาวเมืองโกสัมพีก็เมืองเดียวกับพระนางสามาวดีนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนของพนางสามาวดีด้วยแล้วก็ เพราะนางสามาวดีตายนี่แหละได้ออกบวชนี่จะเห็นว่าความตายของนางสามาวดีนเนื่องจากว่านางสาวมาวดีนะปกติเป็นคนเป็นคนดีมีธรรมะเป็นคนดีแล้วก็เพื่อนผูกงลักเยอะรักด้วยบุปเพเหตุเก่าด้วยปัจจุบันเหตุด้วยนีพอนางตายเนี่ยนะครับเรามานึกดูว่าถ้าเพื่อนดีๆเราตายเนี่ยความคิดเราจะถูกแยงเป็นสองด้าน ด้านหนึ่งเอ๊คนเข้าวัดทำไมตายอย่างนี้นะคนนับถือพระทําไมเป็นอย่างนี้เราก็อาจจะทิ้งวัดก็ได้แต่พวกเพื่อนของนางนั้นไม่ได้ทิ้งเพราะว่าเป็นคนปัดเข้าใจธรรมะเห็นธรรมะในตัวเพื่อนกระใจายธรรมะแล้วก็มีบา ร, รมีที่จะตั้งมรดิการคิดมาในทางที่เป็นประโยชน์เป็นนั่นก็มีความทุกข์แล้วเข้าวัดพวกนี้สลดใจแล้วเข้าวัดคิดอ่า คนเป็นที่ลักตายแล้วก็เป็นเหตุบันดาลใจให้เข้าวัดก็ปรากฏว่านางเข้าวัดแล้วไม่ได้บรรลุเร็วเหมือนพระนางเหมือนนางสามหมาเมื่อกี้องค์ก่อนหน้านี้นะนางได้ใช้เวลาถึงยี่สิบห้าปีขวาจะบรรลุเป็นพระหลานเพราะว่าก็เรียกว่าบารมีน้อยกว่ากิเลสแรงกว่าในนั้นท่านบอกว่าตั้งสมาธิไม่ติดสักทีอะไรกวน ตอบว่าความวิตกกังวลเข้ามาลบกลูลทำให้สมาธิที่ตัวเองตั้งนั้นตั้งไม่ติดต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นอินทรีแก่กล้าได้ทรงโอวาท ด, ด้วยโอภาสกถาก็จึงแก้ไขคิดได้บรรลุเป็นประลานได้เป็นส ม, มิทาด้วยองค์ที่สามสิบชื่อว่าอุตตมาเถรีเถรี อุตามาเทลีนะอุตามาเทลีนางเป็นชาวเมืองสาวัตถีลูกเศรษฐีเหมือนกันครับและนางได้มีความศรัทธาเลื่อมใสได้มาบวชในสำนักของพระนางปตาจาราปตาจาราเราจำได้ทุกคนนะแล้วก็ที่มาบวชนั้นจริงก็ไม่ได้ มีปัญหาครอบครัวแล้วไม่ได้แต่งงานแต่ ง, งานอะไรมาก่อนนะมาบวช ด, ด้วยศรัทธาบริสุทธิ์จริงๆก็ได้มาปฏิบัติธรรมในระหว่างปฏิบัติธรรมเนี่ยครับก็ก็กระสับกระสายนะฮะตามภาษาคนที่เคยอยู่ดีกินดีก็มารับชีวิตอย่างนี้อย่างพลันันทีลําบากหน่อยแต่เนื่องจากว่านางปตจราเนี่ยที่ได้รับยกย่องวันเลิศทางวินัยไม่ใช่ดีแต่วินัยอย่างเดียวรู้ใจด้วยเพราะฉะนั้นในนั้นจึงบอกว่านางปตจราเนี่ยจะรู้ใจลูกสิทธ ว่ามีอุปสรรคทั้งกิเลสอะไรเกิดขึ้นเป็นตัวหนึ่งตัวสองตัวสามแล้วก็ควรจะแก้ไขยังไงเพราะฉะนั้นนางจะแสดงธรรมในลักษณะล้วงลึกก็ไปถึงข้างหนแล้วก็แก้ไขได้ทำให้บรรลุเป็นอริยะได้อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของอาจารย์ที่ดีที่รู้ใจรู้อารมณ์เฉพาะหน้ารู้ทั้งปัจจุบันของผู้ปฏิบัติรู้ทั้งอดีต แล้วก็รู้ถึงจังหวะที่จะสําเร็จเมื่อไหร่นางมีเจโตบริยญาณก็เลยช่วยได้มากเพราะฉะนั้นเจ้าสํานักใหญ่ในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่จะต้องแข่งกันว่าใครใหญ่กว่ากันก็คือพระนางพระจาบดีกับพระนางปัตจราจะมีบริษัทบริวารที่เยอะในกันทั้งกู้เดี๋ยวดูว่าใครน่าจะเยอะกว่ากันต่อไป องค์ที่สามสิบเอ็ดชื่อว่าอัปปราอุตตมาเดลีอที่ขึ้นี้รูปนี้เป็นลูกพราหมณ์มหาศารชาวโกศลชนบทคือลูกเศรษฐีบรรนอกทิดาเศรษฐีบรรนอกก็ได้ศรัทธามาบวชแล้วได้เป็นราษฎหัฐานอย่างง่ายๆไม่มีอะไรรูดผลครับองค์นี้ต่อไปองค์ที่สามสิบสองชื่อว่าทันติกาเดลีเป็นลูกพราหมณ์ซึ่งมีตําแหน่งเป็นโปรโรหิตของพระเจ้าโกศล เมืองสาวัถีอจุดเริ่มต้นของศรัทธานางนั้นเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จไปรับพระเชตวันที่อนาถาบิดิกาเศรษฐีได้สร้างถวายพระพุทธเจ้าก็ทําให้นางเมื่อได้เห็นลูกพระพเจ้าเห็นการแสดงธรรมเห็นพระสาวกแล้วก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้น่ะแค่ได้เห็นแล้วทําให้เกิดความเลื่อมใสเนี่ยพระพุทธเจ้าเองได้ีมี ปรากฏการโดยส่วนพระองค์เองก็ดีหรือโดยหมู่คณะก็ดีมากครั้งเดกันและเราก็เข้าใจในเดี๋ยวนี้นะว่าการที่เราไปเห็นพระดีๆอย่างนี้ก็ทำให้เกิดความรื่มใสแม้ไม่ต้องพูดแค่นี้ก็ทำให้คนเนี่ยมาปฏิญาณตนเป็นอุบาติกาได้คนหนึ่งคือพรานางพิกุณีรูปนี้ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้บวชต่อมาเมื่อสตาได้อบรมมากขึ้น ก็ได้ตัดสินใจมาบวชกับพระนา น, านางังแล้วก็ได้ขึ้นไปบาเพ็ญธรรมนธรรมบนเขาที่จะกูดแล้วก็สิ่งที่เป็นครูทำให้นางได้คิดได้คติทำให้บรรลุธรรมเนี่ยคือว่าได้เห็นช้างที่อยู่แถวแถวนั้นนะก็ไม่ได้ไปอยู่ ใ, ใกล้ๆก็คนขี่ช้าง ได้มาแสดงอาการบางอย่างให้เห็นเล่าไว้ละเอียดแล้วนางก็ได้คติน้อมกลับเข้ามาสู่ตนคือเป็นเครื่องสอนไม่ใช่เป็นอารมณ์ธรรมด า, านะเป็นเครื่องสอนทําให้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะอาศัยพฤติกรรมของช้างกับคนกี่ช้างเป็นก็ยังว่าคนปฏิบัติธรรมเลยถ้าธรรมะมันเดินแล้วเห็นอะไรก็เป็นธรรมไปหมดอ่ะถ้าธรรมะสูงก็เห็นอะไรก็ดึงเข้าหาธรรมะสูงไปด้วย หมดทั้งสิ้นอีกเช่นเดียวกันจากนั้นก็เป็นองค์ที่สามสิบสามชื่อว่าพระนางอุภรีพระนางอุภรีนั้นเป็นลูกข้าพริมาสารชาวเมืองสาวัตถีเป็นคนสวยในนั้นว่าก็เมื่อจะเดินเติบโตขึ้นพ่อแม่ก็ส่งไปเป็นมาเหสีของพระเจ้าโกศลสองสามปีก็มีธีดาองค์หนึ่งบอกชื่อไปโดยชื่อวชีวา ก็มาตายเนี่ยในขณะที่กําลังวิ่งได้ทาให้นางเนี่ยเสียใจมากเสียใจถึงขนาดเราครําครวญไม่หยุดแล้วก็พระเจ้าบดินทร์ก็ให้ไปฟังธรรมะนางก็พกความโศกไปฟังธรรมะฟังแล้วก็ลุกกยืนยนนนะนั่งไม่ติด เ, เป็นนิวรนนั่นหนึ่งบางทีเทศยังไม่ทันจะไปถึงไหนเลยลุกเดินเฉยออกไปแล้ว ไม่ได้ไปเข้าวางน้ำไปยืนลคล่ำครวนถึงลูกที่ริมแม่น้ำอาจิระบดีพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นเห็นเห็นแล้วก็รู้ว่าอันนี้คืออาการที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปพอถึงจังหวะหนึ่งเมื่อนางลุกขึ้นไปยืนที่ริมฝั่งแม่น้ำอาจิระบดีคร่ำครวญถึงลูกเอชีวาเอ๋ยจีวาลูกแม่ไม่น่าจะจากแม่ไปเลยตามภาษาโกลศกพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงใช้ฤทธ อนี่ฟังอีกเป็นตัวอย่างลิตเนี่ยทํายังไงทําภาพเก่าๆที่นางเคยเศร้าโศกจากความพลัดพรากจากบุคคลที่รักมาแล้วให้เห็นให้เห็นเป็นจริงเป็นจังเลยระลึกชาติได้เลยคือคนมีลิตเนี่ยก็ทําได้เพราะนี้คือเรื่องของเราเราเคยร้องไห้จะเป็นจะตายมาไม่รู้กี่กี่ลูกแล้วกี่ศพแล้วกี่หนแล้วแล้วก็มานี่ก็ขนรู้จี่เจ้าก็ทำ ถามว่าเราเนี่ยเวียนว่ายแสดงอย่างไงว่าเราเวียนได้แต่เกิดผ่านความโศกปัจจุบัมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วอยากจะถามว่าการร้องไห้ที่อยู่นี้ยังถือเธอร้องไห้ให้กับลูกชาติไหนคนที่รักชาติไหนเราลองนึกดูนะฮะว่าถ้าเราเราเราเศร้าโศกแล้วก็แค่พูดให้คิดเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าสะดุดสะดุดกับไอ้สิ่งอย่างเนี้ยว่าอนาคตก็ยังจะต้องเป็นอดีตก็เคยเป็น นางก็สลัดความโศกออกไปจากหัวใจได้โดยสิ้นเชิงรร้เจ้า ก, ก็เลยแสดงธรรมในที่นั้นก็จึงเป็นผลทำให้พระนางนั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนั่นเองนี่ก็เรียกว่าคนทุกโลดโผลบรรลุก็ค่อนข้างจะโลดโผลด้วยนี่ก็พวกความทุกข์าขวัดอีกคนหนึ่ง ต่อไปองค์ที่สามสิบสี่ชื่อว่าสุ ก, กาเถรีเป็นลูกของเครืหาบดีชาวเมืองาราชเกื้ออีกครับก็ได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอาที่ฉันใช้คําว่าได้ศรัทธาได้ศรัทธาเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญอันหนึ่งนะฮะได้ศรัทธาเรานึกของเร า, าเราเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยสนใจไม่มีศรัทธาแล้วก็มาได้ศรัทธา จุดเริ่มต้นของการได้ศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอัตถกถาหรือคัมภีร์หลายจะพูดถึง้จุดเริ่มต้นของการได้ศรัทธาอย่างที่พึ่งพาได้ที่เป็นปัจจัยเบื้องต้นได้นางนั่นได้ศรัทธาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปโปรดในพระราชนิเวศก็ได้เห็นได้ฟังธรรมได้ดูการทําบุญให้ทานในครั้งนั้นแล้วก็เลย อยากจะบวชแล้วก็ได้ออกบวชในสำนักของพระนางธรรมทินาแล้วก็ได้เป็นพระอระหันต์ต่อไปนางเสลาองค์ที่สามสิบห้านางเสลานั้นเป็นที่ดาของพระเจ้าอารวีที่เรียกว่ายักษ์น่ะครับจะยักษ์จริงหรือว่าโคนดุยังไงก็ยกไว้ก่อนที่เป็นชัยชนะครั้งหนึ่งพุทธเจ้าแล้วก็ เ, เมื่อปราบพระเจ้าอารวีได้พระพุทธเจ้าก็กลายเป็นพระประจำสกุลประจำราชสกุลนั้นแล้วก็นางนางเสลาเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นที่ดาก็ได้รู้ได้เห็นก็ได้หัดสัทวามาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งในที่สุดก็ได้ออกบวชตั้งแต่ยังเป็นสาวรุ่นรุ่นอยู่ออกบวชแล้วก็เป็นอารหาันต์ง่ายๆต่อไปนางโสมา เป็นที่ดาของปุโรหิตของพระเจ้าพิมพิสารอันนี้ก็ได้ศรัทธาเมื่อพุตรเจ้าเข้าไปโปรดในวังออกบวชไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระล้านผมค่อนข้างจะเล่าเร็วนะฮะนี่ก็ว่าพูดขยายความนิดหน่อยแล้วฟังแล้วอืึอดอัดจะฟังต่อไหมเนี่ยไม่ฟังต่อจะได้พระพาพระล้านหลานกลับบ้านอยากอยากใช่ให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้จบไปซะในครั้งนี้ตลอดนี้นะ ก็อาจจะบางองค์อาจจะข้ามบางทำไม่มีอะไรน่าสนใจจะต้องพูดพอ okay, แค่เราได้ยินชื่อเนี่ยถือเป็นมงคลแล้วนะวได้ยินประวัติท่านสั้นๆพอเราเราได้นึกอะไรกว้างๆได้เนี่ยอันนั้นเป็นผลที่อยากให้เกิดแก่การฟังแบบสั้นๆ น, นี้ก่อนต่อไปพระภิกษุณีที่ชื่อว่าพัฒทากปิลานีเทลีองค์นี้นะสำคัญครับ เอ่ยชื่อเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่ไม่รู้ว่านางเป็นใครมีความผูกสัมพันธ์กับใครที่เป็นพระเถระสำคัญในพระพุทธศาสนาเราในกลางนั้นนางผู้นี้นะ่ะเป็นลูกของพรามในสกุลโกศยาโคตที่สาขาราคนครเมืองเดียวกับพระนาคเสณพระนาคเสษเพระรุ่นหลังหลังพุทธการราวสัตววัตถิห้าเมือเอ่อนางนะ่ะ คนไหนที่ชื่อว่าพัฒนาพัฒนาเนี่ยขอให้รู้วยอย่างหนึ่งเลยว่าเขาเลียดเรืองมากของความสวยพิเศษทางด้านผิวพรรณผิวพรรณดังทองสวยเหมือนเหมือนทาทองนะก็คงจะไม่ใหญ่เปรี้ยบอย่างนั้นจริงๆรแต่สวยมากนางพัฒนาเนี่ยก็เป็นคนสวยแล้วก็เป็นลูกของพราหมณ์ที่ร่ารวย เมื่อจะเดินเติบโ ต, ตขึ้นก็ได้มาแต่งงานกับกูมารคนหนึ่งนะผมเอ่ยชื่อชื่อเดิมและท่านลองดาวที่ว่าใครชื่อว่าปิบพะริกูมารปิบพะริกูมารใครรู้ไหมฮะแล้วก็มีที่ที่กูมารผู้นี้เมื่อบวชไปปฏิบัติทําเรียกว่าปิบพะริเหมือนกันทาปิบพะริใครรู้ไหมใช่ฮะเก่งมากพระมหากระสปะ ต่างคนก็ต่างสวยต่างหลอ่อลูกคนร่ำคนรวยเหมือนกันก็จ ะ, ะต่างกันนะว่าเกิดคนละเมืองกันคือปิดบริเนี่ยเกิดที่มหาหัตถิคามแล้วก็ตอนหลังเนี่ยท่านมหากัสปะภายหลังได้ออกบวทอุทิตพระพุทธเจ้าซึ่งไม่รู้จักตัว ข้างฝ่ายภรรยาก็ไม่งองแงเอาบวชก็บวชฉันก็บวชเหมือนกันแต่ว่านางพัฒนาเนี่ยแทนที่จะบวชอุทิศพระพุทธเจ้ากลับไปหาสำนักแล้วก็ไปได้สำนักเดลตีบวชอยู่ห้าปีสามีเป็นอรหันต์ไปแล้วตัวยังเป็นเดลตีอยู่เลยต่อมาภายหลังก็ได้มารู้จักกับพิคุณีโดยเฉพาะพระนางมหาปัญาบรีเลยได้เลื่อมใสและได้มาบวช ในสำนักของพระนานางจึงได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในที่นั้นพระนางพัทนากปิลานีได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ละลึกชาติก่อนได้ในในเอตตะคะส่วนพระมหากระสปานั้นได้รับยกย่องว่าเป็นทุตตวาทะทั้งสองนี้ได้สร้างสมบัตมีร่วมกันมาชานะ้านาทในเชิงบุพกรรมซึ่ง ในในเทระกาถาไม่ได้พูดอย่างนี้นี่เป็นเป็นสาระสาคัญเหมือนอย่างในอัปท า, านต่อไปองค์ที่สามสิบแปดอัญจตราเถรีองค์นี้นะ่ะเราก็ขาดไม่ถึงว่าจะอยู่มาถึงได้บวดคือนางอัญัตราเถรีองค์ที่สามสิบแปดที่ว่าเนี่ยอดีตนั้นเป็นแม่นมของพระน้านางนะ พระนางคือพระนางมหาพยจพดีเนี่ยเป็นบุคคลในในนครเทวาทาตแล้วก็พระนางอยตราเนี่ยเป็นเป็นแม่นมในสมัยที่ยังเยาวอยู่ที่นครเทวธาตุจนกระทั่งพระนานางมาอยู่ในสากยตระกูลแล้วแล้วกระทั่งมาบวชแม่นมถึงมาเลื่อมสายภายหลังแล้วก็ออกมาบวชในสำนักของพระนานาง ก็ประหลาดสักหน่อยครับบวชก็ช้าบวชแล้วยังบรรลุช้าีกเสียเวลาไปยี่สิบกว่าปีต่อสู้กิเลสธรรมะไม่ึ้นไม่เดินไม่เกิดยี่สิบกว่าปีอันนี้ระบุไว้ด้ยยี่บห้าปีนะโดยประมาณต่อมาก็ได้รับการอนุเคราะห์ด้วยการฟังธรรมจากพระธรรมตินาเดลีที่เป็นผู้รู้ใจก็จึง ได้นำเอาอะไรต่างๆที่ได้สอนเนี่ยเอาไปใช้แต่ก็บอกว่าต้องภาวนาเนืองๆนะไม่บรรลุง่ายจึงบรรลุเป็นพระอราหันต์ได้ด้วยความยากเย็นนั้นถ้าบา ร, รมีน้อยความเพียรต้องเยอะบา ร, รมีเยอะความเพียร น, น้อยมันเหมือนถ้าหมากินนะคร mm ับ hmm. องค์ที่สามสิบเก้าวิมาลาเถรี mm hmm. อ้าวคราวนี้มาเจอโสเป็นอีกแล้ว mm hmm. พระนางวิมาลาเถรีเนี่ยตัวเป็น ลูกของโสเพณีในเมืองเวสาลีเกิดเป็นลูกโสเพณีก็ดีเขาไม่ฆ่าจิ้งก็ยังบุญนางนาเนี้ยแล้วก็โตขึ้นก็ได้กลายเป็นโสเพณีไปตามเออที่จริงเ้าไม่ฆ่านะถ้าลูกผู้หญิงขเงาาขาเลี้ยงถ้าลูกผู้ชายอาจฆ่าเลี้ยงไปจริงก็ประกอบอาชีพโสเพณีอยู่ตามสภาพแล้วก็ต่อมาเนี่ยอ่อ ในนั้นเล่าว่าพระโมคกขลานะไปบินทบาทที่เมืองเวสาลีนางก็ไปเห็นก็คิดจะทําให้พระโมคขลานะเนี่ยศึกให้ได้นี่เป็นนาลีพิฆาตโสเพณีพิฆาตด้วยเหตุสองอย่างเล่าไว้สองอย่างหนึ่งทีแรกนะ่ะไปรับปากเดลตีให้จับพระโมคขลานะศึกด้วยวิธีการซึ่งเป็นผู้ทรงกนวุฒิในเรื่องนี้อยู่แล้วนี่อะตามสายอาชี แล้วก็พอไปเห็นพระโมคคัลลานะเข้าก็เกิดความรักขึ้นมาด้วยก็เป็นเหตุสองอย่างพระโมคคัลลานะท่านก็รู้เข้ามาพูดจาอย่างงูอย่างนี้ใช้อุบายด้วยประการต่างๆพระโมคคัลลานะท่านได้แสดงหลักอธุภะกรรมฐานให้กรรมฐานแสดงอารมา์ให้ฟัง เมื่อแสดงอสุภะกรรมฐานได้ที่ปรากฏว่าความสังเวชได้เกิดขึ้นแก่นางวิมาลาเลยเลื่อมใสความคิดปรัทุสลายกลายเป็นมิตรเกิดเป็นความเลื่อมใสขึ้นเมื่อเกิดความเลื่อมใสขึ้นก็เลยขอบวชและเมื่อบวชแล้วก็ได้เป็นพระอาจานนี่คือที่เห็นว่าคนเข้าวัด ทั้งที่คิดจะไปจับลระศึกเนี่ยโดนพระจับบวชโดนพระจับบวชเลยนี่ก็ดีเหมือนกันเนี่ยถ้าเราไปเจอแบบนี้เ่าไอ้ที่เขว่านารีพิการนะเราก็พิการนารีละนี่เข้ามาเนี่ยเราก็เทศเลยปล่อยพวกนี้แหละโอกาสที่ให้เราไปเทศยากแต่ก็ต้องมีฝีมือเยอะหน่อยมันจะเอาพระศึกเราเอาเข้ามาบวชเลยจะได้เป็นอภินิหารให้พวกวาจ่างเขาได้ รู้สึกตื่นเต้นกันะบ้างอัศจรรย์บ้างนะก็อันนี้เราก็ก็พูดในในแง่อย่างนี้แล้วก็ถือว่าพระโมคคัลลานะนั้นเป็นแบบอย่างในฐานะพระก็จะต้องเข้าใจและเมตตาคนทุกประเภทรู้ว่าทุกคนคงจะมีกิเลสทำให้หลงผิดด้วยกันทั้งนั้นทุกๆุกสมัยนะเอาแล้วนะทีนี้มาถึงอีกองค์หนึ่งองค์นี้นะ่ะเออโลดโผนหน่อยครับ เคยเอ่อยถึงองค์ที่สี่สิบพระนางศรีหาเสรีเนี่ยเรียกชื่อตามชื่อลุงลุงคือศรีหาเสนาบดีรัฐมนตรีของพวกกษัตริย์ลิชวีเมืองเวสาลีแล้วก็ศรีหาเนี่ยเมื่อก่อนก็นับถือศาสนาเชนภายหลังมาโตวาทีพ่ายแพ้พระวุตธเจ้าเลยเลื่อมใสเลยเป็น ที่มาใหญ่ของธรรมะหลายสูตรจากผู้นี้มาถามมาสนทนาเนี่ยนะอ่าทีนี้เมื่อมาเริ่อมสายก็บริษัทบริวารก็มาเริ่อมสายน้องสาวก็มาเริ่อมสายแล้วน้องสาวก็มีลูกสาวซึ่งเป็นหลานหลานลุงก็มาเลื่อมสายลูกสาวนะ่ะไปแรงกว่าลุงถึงขนาดออกบวชด้วยความศรัทธายอย่างแรงกล้าเออนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าศรัทธายอย่างแรงกล้าเนี่ยบางทีมันก็กล้าจนกระทั้ง ไอ้อย่างอื่นมันตามไม่ทันมันเลยอย่างอื่นนะก็เอารวมๆคือเลยบารมีนางนั้นได้มาบวชมาบวชอยู่ถึงเจ็ดปีบำเพ็ญความเพียรด้วยศรัทธาอย่างอุกฤษไม่บรรลุอะไรเลยก็มันนึกว่าไอ้เราเนี่ยคงจะบารมีน้อยมาปฏิบัติแล้วก็ถูกกิเลสกุ้มลุมเอาชนะไม่ได้สักทีเจ็ดปีแล้วทำไงล่ะฮะ ยัยยัยยั ย, ย, ยกันนั้นเลยเราฆ่าตัวตายซะดีกว่าจะได้ตายในพระเหลือก็กเอาเชือกมาผูกกิ่งไม้ฆ่าตัวตายฟังดูแล้วหวาดเสียวนะเราเนึกก็ไม่มีมีจริงๆพอผูกฆ่าตัวไหนๆจะตายแล้วก็อาจจะเริญวิปัสสนาทิ้งทวนนาทีก็จะเลิญกรรมาฐานทีนี้ไอ้บรารมีธรรมเนี่ยแปลกอย่างนั้นท่านบอกไว้เลยนะในทางหลักการด้วย ว่าแ ม, แม้แต่โลกจะแตกยังต้องหยุดแตกชั่วขณะให้คนบรรลุธรรมผ่านพ้นมาก่อนพอบรรลุธรรมแล้วเชือกลดหลุดไอ้เชือกล ด, ลดเลดนี่ยบางทีก็เทวดามาทําให้หลุดบางทีก็บารมีทําแต่สาระสำคัญคือบารมีธรรมของพวกนั้นทําให้เชือกหลุดเลยไม่ตายถือเชือกมาท่ามกลางสงเพื่อนถามเอาเชือกไปไหนมาไปผูกอตายมาฟังดูชวนชวนตื่นเต้นแหละ แต่กลายเป็นว่าอารหันแลเดนนี้ไม่ผูกแลนี่คือคนที่มีชะตากรรมอย่างหนึง่งจะต้องเป็นอย่างนี้นะฮะต่อไปพระนางที่ชื่อว่าสุนทรีนันธาอันนี้ก็เป็นเจ้าสกยะเป็นคนสวยอีกคนหนึ่งนะครับองค์ที่สี่สิบเอ็ดน ะ, ะก็ออกบวชตามญาตินะครับตามหมู่ญาติก็เมื่อ พระเจ้าสุโธธนะปารินิพานในในสเสวตาฉัตรนะนี่เป็นพระอาหารที่ปารินิพานในเสเวตาฉัตรไม่ทันได้บวชผมเคยอ่านประวัติท่านมาแล้วนะพ่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าไปโปรดจนเป็นพระอาหารหันต์บนเรียกว่าบนตักเลยทีเดียวส่งเข้านิพานเลยดูใจก่อนนิพานเรียกว่าปาริณิพานในเสเวติตพอพระเจ้าสุโทธทนะปาริณิพานนี่แปลว่าหมด ล่มโพล่มใส่ทุกคนก็ไปนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วทำไงที่จะไปอยู่กับนางก็ไปบวชเพราะเพราะฉะนั้นนางก็ออกบวชตามหมู่ญาติไปแต่ว่าเพราะนางเป็นผู้ที่มีบรารมีมาแต่เดิมเมื่อได้ไปบวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยพระพุทธเจ้าทรงทรมานแบบเดียวกับนางอาภีรูปนันทา น, นั่นเองเพราะเป็นคนหลงลูก คุณธนีนันทานแปลว่าผู้ชอบความงามของตัวเองนะหมายถึงของตัวเองต่อไปองค์ที่สี่สิบสององค์ที่สี่สิบสองนั้นนันทุตราเทลีชื่อของเธอของท่านเป็นลูกของพราหมณ์อ้าวนี่พิเศษหน่อยครับเป็นลูกของพราหมณ์ชาวนาครอ่ากรมมาสธรรมนิคมเคยได้ยินไหมกรมมาสามะธรรมนิคม แกลกุลุพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องอะไรแสดงมหานิทานสูตรแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรแสดงสติปัฏฐานสูตรแสดงสูตรสำคัญสำคัญที่เมืองนี้เป็นเมืองคนมีปัญญานางนเป็นเชื้อสายของคนในเมืองนี้ที่มาบวชและมีประวัติให้เราศึกษาอยู่เป็นชาวนครนี้อพระนางได้มาบวช ก่อนมาบวชเนี่ยนางมีความรู้พิเศษคือเป็นคนที่คงแก่เรียนนะเป็นผู้หญิงที่คงก่เรียนมีความรู้เรื่องสาเรื่องศีลหลายอย่างแต่แรกนี่ยก็ไปเรื่อมสพวกนิครณก่อนไปบวชในสำนักของนิครณแล้วก็เก่งทางโตวาทีและแต่ในที่สุดเนี่ยมาพบพระโมคคัลลานนะโตวาทีแท้แ พ, พระโมคคัลลานนะเลยบวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งสี่สิบสอง มิตตากาลีเถรีเป็นลูกพราหมณ์อีกเหมือนกันแหะครับแล้วก็เมืองเดียวกันครับตัมมาตะธรรมนิคมแกนกุลุและนางนั้นไม่ได้วอกเวียนออกไปนอกลกูนอกทางเหมือนอย่างเมื่อกี้นางได้ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าแสดงมหาสติปารานสูตรพูดง่ายว่านางนั้นเป็นคนหนึ่งที่ได้ฟังมหาสติปารานสูตรในครั้งนั้น เมื่อเลื่อมใสก็ถึงขั้นออกบวชเมื่อได้บวชก็ได้เจริญสติปัฏฐานสี่อย่างที่ได้มาโดยความเป็นเหตุของความเลื่อมสายเมื่อกําลังเจริญสติปัฏฐานมีอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ท่านเล่าแสกไว้ไปติดลาบสักการละคือพอมาปฏิบัติทำอะไรเข้าคนก็เลื่อมใสเอาลาบสักการละชื่อเสียงอะไรมาทําให้นางเนี่ยมาติดอยู่พักหนึ่งพักหนึ่งก็นานนะในนี้บอกปีไว้ด้วยว่า ลาบสการละนั้นมาทำมาขัดขวางอยู่ถึงเจ็ดปีก็มาหนักๆเข้าก็ชักลาชักรู้สึกว่าเอ๊ะเราเนี่ยบวชเข้ามาทำไมบวชมาเอาอะไรเกิดความคิดขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ว่าเราไม่ต้องการมาเอาสิ่งเหล่านี้ก็เลยสละละทิ้งลาบสการละหลีกเว้นให้ไกล จากที่มาจากคนที่มาจากสถานที่ที่มาจากกรณีกิจอันเป็นที่มาที่เกี่ยวได้ลาภกสาละไปมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุผลแล้วหลังจากนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์จริงองค์ที่สี่สิบเจ็ดยังฟังได้เรื่อยใช่ไหมองค์ที่สี่สิบเจ็ดนะสี่สิบสี่นะสี่สิบสี่ชื่อว่าสกุลานาสกุลาเนี่ยครับเป็นลูกพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถี ก็ได้ศรัทธาคราวเดียวที่คนอื่นนะเมื่อพระเจ้าเสด็จไปรับเจตวันคือไปงานใหญ่มีคนมาเยอะแล้วก็การไปในที่นั้นเนี่ยเรียกว่าไปอย่างที่เราเรียกในนี้ว่ามีคนติดติดขายมาติดมาโดยไม่ได้ฟังไม่เห็นมาอะไรเนี่ยชวนให้เกิดศรัทธาได้ดีทั้งนั้นเลยสําหรับอบุคลิกของพระอริยะที่ท่านเป็นเหมือนเป็นนกต่อศรัทธานคนเข้าวัด นี่ก็นางนี่ก็เป็นคนหนึ่งแค่ไปร่วมงานก็ไปได้ศรัทธาถึงขนาดทำให้นางศรัทธาออกบวทเป็นพระภิกษุณีเอเมื่อได้ศรัทธาแล้วออกบทแล้วเนี่ยก็บอกว่าได้มาพบพระอราหันต์องค์หนึ่งอ่ก็ไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครนะ และพระอรหันต์องค์นี้แหละที่เหมือนกับว่านางเป็นเนยยะของของท่านทําให้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในแม่นะองค์ที่สี่สิบห้าชื่อว่าโสนาอันนี้ก็เป็นชาวเมืองสาวัตถีปรากฏว่านางโสนาเนี่ยแต่งงานมีลูกถึงสิบคนก็สมัยก่อนไม่ถือว่าดกใช่หมห้าคนนี่น้อยถือว่าน้อยเจ็ดคนก็น้อยสิบคนนี่พอดีพอ ถ้าเกินสิบคนนะค่อนข้างแล้วก็บางทีสมัยก่อนจะถือว่าลูกเยอะๆนีนจะดีได้ทําไปเป็นที่ยําเกรงข้ไกหญ่ตะไก่เป็นฐานบา ร, รมีนะยิ่งเป็นภรรยาของคนมีจะกินมีอํานาจหน้าที่ในลูกเยอะเนี่ถือเป็นอ่าทีนี้พเพร อ, อนางนี่ไม่ใช่เป็นคนร่ำรวยอะไรนะสามีก็ไม่ใช่เป็นคนร่ำรวยแหละก็เป็นคนชาวบ้านนี้น่ะมีลูกสิบคนพอมีลูกสิบคนแล้วปรากฏว่าสามีเกิด ไปฟังธรรมะแล้วก็ไปเลื่อมใสถึงขนาดออกบทออกบทไปก่อนเลย mm hmm. เมื่อบทแล้วข้างฝ่ายภรรยาลูกคข้า mm hmm. ก็แบ่งทรัพสมบัติที่เหลือเนี่ยลูกเขาพอโตแล้วนะให้กับลูกทุกคนพอแบ่งสมบัติแล้วลูกก็ชักจะไม่ครบ พอไม่ครบก็ชักเอ๊ะทำไงดีก็นึกว่าเออสามีเราไปที่ไหนเราก็ไปที่นั่นก็ไปบวชแต่ไม่ได้ไปทําเรื่องเสียหายอะไรหรอกไปบวชเหมือนกับเช่นสามีได้บวชแล้ว <c oughs> และเมื่อไปบวชสามีบวชจนะเป็นพระหลานไปแล้วนะ <c oughs> เป็นการบวชเมื่อแก่ <c oughs> และคนที่มีศรัทธาและมีความบริสุทธิ์ และมาพบศาสนาเมื่อแก่หรือบวชเมื่อแก่เนี่ยมักจะมีลักษณะคล้ายกันประการหนึ่งคือโหมจัดโหมทำอะไรเพียนเนี่ยบอม เ, เพียนเพียนจัดเพราะเนื่องจากว่าเวลาเหลือน้อยนี่ในกรณีคนศรัทธามากนะศรัทธาบริสุทธิ์แล้วก็ปรารถนาจะหลุดพ้นเนี่ย <c oughs> เพียนจัดขนาดไหน <c oughs> จัดขนาดว่า เดินจงกรมจะไม่ไหวนะฮะถ้าเดินใต้ถุนวิหารกอดเสาเดินจงกรมเลาะข้างฝาเดินอย่างที่เราเห็นเดี๋ยวนี้บางคนถ้าเดินจงกรมในปา่าเกาะกิ่งไม้เกาะต้นไม้เดินจงกรมเกาะเดินจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างสงอ้อสงแอสงอ้อแงน่ะครับบรรลุเป็นพระอรหนัน จากที่นางเป็นผู้มีความเพียนอย่างเลิศเลอเช่นนี้พระพุทธเจ้าได้ต้องการจะประกาศนางให้เป็นแบบอย่างจึงได้ทรงยกนางไวในฐานะที่เป็นเอตตะคะ อ, อ, องที่เจ็ดนะครับองที่เจ็ดเอกสารที่ผู้กก่าดีแล้วองที่เจ็ดคือผู้ปราศจกความเพียนเป็นคนขยนันเลิศด้วยความขยนัน จากนั้นก็เป็นองค์ที่46พัฒากุลทนเกสาบางทีก็เรียกคุณทนเกสีองค์ที่46นี้น่ะนางเองเดิมเป็นลูกเศรษฐีชาวเมืองราชครึกแล้วก็เราก็รู้ประวัติว่านางโผล่หน้าต่างไปเห็นโจรที่ถูกจับจะนำไปสู่ที่ประหารโจร น, นี่น่ะไม่ใช่โจรธรรมดาเป็นโจรลูกของปุโรหิตนะแต่ทำผิดไรแรง ถึงขนาดพ่อคุ้งกรองไม่ได้อันนั้นประจนลูกผู้ดีชื่อสัต <c> ต <oughs> <c oughs> ุกะพอนางไปเห็นเขาก็เกิดความรักขึ้นทำไงไปนอนดิ้นกระแดว๋วกระแด๋วบนที่นอนพ่อแม่ก็ตกใจใลูกเป็นอะไรอยู่ๆก็ชักแงกๆก็บอกว่าเนี่ยลูกรักเนี่ยผู้ชายคนนั้นพ่อต้องไปถ่ายตัวมาไม่งั้นแล้วก็ ลูกก็จะยอมตายตามไอ้โจรคนนั้นไปด้วยพ่อก็เลยต้องยอมเอาเงินตั้งจำนวนมหาศาลไปไถยตัวมาให้แต่งงานและผลที่สุดก็เรียกว่ามันยิ่งก็แข่งเท้าหาเสี้ยนอีงนะนนี้เรา แ, แ, แข่งแข่งคอหาดาบสา ม, ามีลุงไปจะฆ่าบุณหกขาวนางก็ผลักโจนตกลงมาตายอย่างที่เราเคยได้ยินแล้วก็ได้ไปบวชในสำนักของปริภาชชกล่าเรียนวิชาโตวาทีศาสตร์ของพกนั้น ท้าโตวาทีจนกรทั้งมาเจอพระสัตรีบุตรโตวาทีแพ้พระสัตรีบุตรเลยขอบวชเมื่อไอที่ว่าขอบวชในพระเจ้าก็แนะนําให้ไปบวชเมื่อไปบวชแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมขณะที่กราบแล้วก็ลุกถอยออกมาเนี่ย คือพระพุทธเจ้ายันก็ระลูงอ่ะ น, นะว่าคนจะกลับวัดเลยหน้าอยากให้เขากลับไปแต่ชายถอนข้าหมอแล้วแต่บางทีมองดูว่าเหมือนถอนแต่ ใ, ใจมันชุ่มกลับไปไปยืนอยู่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมซ้ําอีกทีบรรลุธรรมในขณะยืนนั้นเลยยังไม่ทันจะพ้นพระภ ก, กลับบ้านนี่เราก็เวลาไปเฝ้าถ้าไปเจอพุทธเจ้าต้องเวลาจะกลับต้องดูไว้ทีเผื่อจะมี มีอะไรแถมตอนท้ายให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้นเรียกว่าฝากฝังหรือสรุปจบชนิดที่ทำให้บรรลุเป็นพระหลานกันในตอนนั้นจึงว่าบรรลุในอิริยาบถยืนนี่ก็มียืนมาหลายองค์แล้วนะจากนั้นก็เป็นอีกองค์หนึ่งครับคือพระนางปตาจลานี่แทบจะไม่ต้องเล่าเลยเราได้ยินกันบ่อยมากเป็นลูกเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีอีกเช่นเดียวกัน เรามาพูดถึงตอนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยนิดนึงพระพุทธเจ้าเมื่อจะทําให้บุคคลบรรลุธรรมในสภาวะของคนบ้ามันมีตัวอย่างเรื่องกรณีคนบ้าเยอะแล้วก็ได้อ่านดูว่าทําไมพระพุทธเจ้าทรงทําคนบ้าให้ดีให้บรรลุธรรมได้เนี่ยทรงมีวิธีขั้นตอนทําไงเก็น่าศึกษาแล้วก็มีคําตอบอยู่อ อ, อย่างกรณีของนางปติจราเนี่ยเรารู้ว่าแกะผาแก่ผ่อนไปสู่ที่ฟังธรรม คนพากันแตกตื่นพระพุทธเจ้าโดยทรงลดใช้คำว่าลดหรือชำระความโศกความบ้าด้วยพระคาถาที่หนึ่งก่อนต้องแก้บ้าก่อนครับเรียกสติกลับมาก่อนจากนั้นก็ทรงแสดงการเทศครั้งที่สองทำให้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันใ น, ในโอกาสเดียวกันนะ ทีแรกแกบาเทศแก่บาครั้งที่สองเทศให้บรรลุพอบรรลุเสร็จแล้วนางขอบวชเมื่อขอบวชแล้วก็บรรลุฉับพลันทันทีไม่ได้นะก็สมาชานกรรมฐานเข้าไปประพฤติธรรมอยู่ในป่าบรรลุตอนตักน้ําล้างเท้าคนกําลังเจริญกรรมฐานตักน้ำล้างเท้ า, ลล า, า, ล า, ทาแล้วก็ไอ้น้ําละสามขันนี่มันเหมือนอันนีจังทุกคั้งน้าตาบรรลุตรงนั้นเองครับซึ่งจุดบรรลุตรงนั้นพระเจ้าโดยทรงแผ่โอภาษ ไปให้นางด้วยทำให้นางได้บรรลุธรรมะได้แน่นอนอเฉียบพันขึ้นก็หมายก็ว่าบรรลุมักเบื้องสามเนี่ยในที่ที่ล้างเทา้าเบื้องสามข้างบนที่เหลือต่อไปชื่อว่าติงสามมาตาเถรีคาว่าติงสามัาตาเนี่ยแปลว่าภิกษุณีจำนวนสามสิบรูป ไม่ได้เป็นชื่อของพิกษุรูปหนึ่งและพิสูรนี้จานวนสามสิบรูปในกลุ่มนี้ก็ไม่รู้มาจากไหนบางท่านเจรนายไม่ไหวบอกมาจากต่างสกุลกันแต่ว่าบะเป็นคนทําบารมีร่วมกันมาก็เลยเามาสู่วัดด้วยกันมาหาอาจารย์เดียวกันเพราะร่วมอาจารย์กันมาด้วยต่อยคนเข้ากลุ่มกันแล้วก็ อะไรอไรด้วยกันนั่นก็มีเอดี๋ยวนี้คนไปวัดไปวาด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นพวกก็มีก็เป็นพวกคล้ายๆคล้ายๆสมัยก่อนนะปรากฏว่าไปสู่สำนักของพระนางปตจาราพระนางปตจาราก็ได้สอนธรรมะจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็สามสิบรูปเนี่ยก็เลยกลายเป็นผู้ห้อมล้อมพระนางปตจาราในที่ทุกเมื่อจากนั้นไปเป็นเป็นคนสร้างบา ร, รมีด้วยกันมาก็ ก็ได้มาพบกันในฐานะของความเป็นนัหันอีกทีหนึ่งก็ต่างกันแต่ว่าอา่คนหนึ่งเป็นหัวหน้าที่เหลือนอกนั้นก็เป็นบริษัทบริวารนเทน่านั้นเีงองค์ที่สี่สิบเก้าชื่อว่าจันทาเทรีอ่ผนางจันทาเทรีนั้นเป็นลูกพราหมณ์นะเป็นลูกพราหมณ์ในบ้านพราหมณ์แห่งหนึ่งที่ไม่ปรากฏชื่อท่งไม่ได้บอกชื่อไว้นะก็นี่ก็ประหลาดดีแลละครับ ผมเคยเล่าถึงท่านโอสกาติตสาจำได้ไหมใช่โอสกะติตสาที่เป็นพระอาหารหันต์ซวยตลอดชีวิตเกิดมากินฉันอาหารอิ่มเมื่อตอนจะเข้านิพพานแล้วนั่นเองแล้วไปอยู่ที่ไหนใครก็ซวยตามไปหมดจำได้ไหมได้ถ้าจะถามว่าภิกษุณีที่มีชะตากรรมละไม้เหมือนกับท่านโอ ส, โอสกาติศสานี่คือใครคือองค์นี้แหละครับองค์ที่สี่สิบเก้านี่แหละ เธอเกิดมาเป็นลูกพรามอย่างที่ว่าในที่หนึ่งคงไม่สำคัญเลยไม่ได้จำชื่อเป็นตำบลเล็กๆไม่มีชื่อเสียงอะไรละมั้งพอเกิดมาแล้วเนี่ยพ่อแม่ที่อยากจนยิ่แล้วจนุดลงไปอีกครับบอกโพคาเดี๋ยวให้นั่นเสียให้นั่นหายแล้วก็เกิดโรคระบาดอยู่ไปอยู่มากสุขภาพคนในบ้านในหมู่บ้านไม่เคยดีมีโรคระบาดเจ็บป่วยกระทั่งญาติเนี่ยแตกทำลาย ตายบ้างย้ายหนีไปบ้างตัวก็เลยไม่มียาอันนี้จะต่างกับท่านโอซากะที่ว่าญาติฝี่น้องเขาไล่หาว่าเป็นตัวซวยไล่ไปอยู่ก็ขอทานขอทานไล่อีกหาว่าเป็นตัวซวยนะก็เลยต้องออกมาขอทานนี่องค์นี้ออกมาขอทานอีกเมื่อมาขอทานอยู่เนี่ยกรรมก็ค่อยๆชักนํามาบรารมีจะให้ผลนะ อันนี้เราเลยรู้ว่านางปัตาจาราาและและบริวารเนี่ยทำพิธีแจกทานสงเคราะห์แก่ผู้อดอยากยากจนอยู่เหมือนกันวันนั้นน่ะพระนางปางป a ตาจ l า, ากำลังทำทานนางนางขอทานจันทานี่ก็มามาก็เข้าไปเพื่อจะไปรับของทำทานพอเข้าไปแล้วเนี่ยไปเห็นไปเห็นบุคลิก เห็นอาการกิริยา<ม>เห็นน้ำใจ<ม>เห็นอะไร อ, อะไรเนี่ยมันไม่เหมือนในสังคมที่ตัวเองเคยคุกคีมาไอสังคมที่ตัวเองคุกคีมีแต่คนบุคลิกมาอย่างนี้มีแต่แย่งกันมีจะไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เลยก็เลื่อมใสเข้าไปเลียมแลเรียมแร่ขอบวชนางปตจราคงวองมองออกนะวองมองแววออกในที่สุดก็ให้บวชพอบวชเข้ามาก็ไม่ผิดหวังครับ นางนั้นได้เอาใจใส่เรื่องการปฏิบัติพระกรรมฐานในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอาราน์อดีตเป็นขอทานนี่เราก็เห็นน้ำใจพระอาราณ์สมัยก่อนนะนันก็ดูคนตามเนื้อ่าจะเป็นขอทานเป็นอะไรก็แล้วแต่ราคามาอยู่ที่อะไรอยู่ข้างในไม่ใช่อยู่ที่อาชีพอย่างนางเมื่อกี้นะขอทานอยู่เจ็ดปี หลังจากอ uh, uh, บ้านเรือนของตัวเอง uh, ล่มสลายไปหมดแล้ว mm hmm. องค์ที่ห mm ้าสิบองค์ที่ห้าสิบชื่อว่าปัญจสตมัตตาเทลี่าปัญจส ต, ตเนี่ยแปลว่าห้าร้อยสตแปลว่าร้อยปัญจแปลว่าห mm ้า hmm. ก็หมายว่ากลุ่มวิสุนีกลุ่มนี้นะ่ะมีจํานวนห้าร้อย เขพูดถึงห้าร้อยนี่ผมก็ไม่ไม่กล้าจะยืนยันว่าห้าร้ยจริงไม่จริงแต่ว่าเยอะเอากว่าถ้าไม่คิดว่าจริงก็เอาว่าเยอะก็แล้วกันทําไมถึงเรียกว่าห <c oughs> ้าร้อยภิกษุณีจํานวนนี้นะมีชะตากรรมร่วมกันอันหนึ่งครับเดี๋ยวนี้เราผมก็ยังนึกไม่ออกไม่มีประสบการณ์ได้เห็นเป็นลักษณะที่เป็นเพื่อนกันด้วยแล้วมีกรรมใกล้กันด้วย <c oughs> คือมี <c oughs> ชีวิตครอบครัว <c oughs> แล้วมีลูกลูกตายเหมือนกันหมดฮนะมันจะบังเอิญเหลือเชื่อยังไงก็สวยไป น, นึกหาตัวอย่างว่าเออ ม, มันมันไอที่เดี๋ยวนี้มันมีแต่ว่าอยู่คนละที่คนละทางไม่ได้ตักกันอย่างเงี้ยก็มีความทุกข์ร่วมกันคงจะตั้งเป็นชมลมลูกตายเข้าหวัวกกันเลยชมรมลูกตายเออถ้าตั้งเป็นชมลมเห็ยจะรวบรวมได้เยอะหน่อยชมลมเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะชมลมนั้นชมรมนี่ก็รวมพวกได้เยอะ เพรานั่นหัวอกเดียวกันมันก็ทราบซึ้งอยู่นะฮะแต่ว่าในคำภีท่านบอกว่ามันเพราะทํากรรมมาอย่างเดียวกันท่านบอกไว้ไงเลยนะทํากรรมในลักษณะเดียวกันแล้วมาสเสวยวิบากกรรมไอ้อย่างเดียวกันถ้าฆ่าอาต้องมาลูกตายด้วยกันแล้วอย่างอื่นไม่อย่างเดียวกันมันก็ไม่มาเจอกันอย่างนี้แต่นี่เขาเรียกว่าอากุศลกรรมก็คล้ายกันกุศลกรรมคล้ายกันทั้งบุญทั้งบาปมาด้วยกันก็เลยมาเข้าวัด ในโอกาสเดียวกันชักชวนกันเข้าวัดแล้วก็ามาเป็นลูกศิษย์ของพระนางปัตตาจรานี่พอห้าร้อยเนี่ยเข้ามานางปัตตจรากินขาดแล้วกินกินพนานางขาดแล้วพะนะนางก็ดีว่าพามาจากวังห้าร้อยนะไอ้ก็อาจจะดีกว่าตรงนั้นแต่ว่าพระนางปัตตจราเนี่ยได้คือพระนางน่าจะยกย่องให้ว่านางเนี่ย เป็นชีวิตตัวอย่างนะฮเดี๋ยวนี้เห็นจะต้องให้รางวัลให้รางวัลเนาะมีชีวิตคุณภาพหรืออะไรก็ว่าไปงั้นชีวิตตัวอย่างที่ผ่านความทุกข์มาขนาดคนบ้าแล้วมาเป็นอาราันเนี่ยนะแค่เล่าเรื่องประวัติความบ้าของตัวเองก็ฟังกันไม่เบื่อแล้วเออนี่ก็ยังนางยังประมีอย่างดีอย่างอื่นที่ตั้งหลายหลอย่างคนก็มีความทุกข์เรามาหานางนางช่วยได้ดีเป็นพิเศษเลยทําให้บรรดา นางเหล่านั้นได้เป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกับเจ้าของประสบการณ์ที่รุนแรงกว่าพอถึงยังไงห้าร้อยก็ไม่ถึงกบ้าแต่พนางกตตาจราลูกสองคนสามีตายบ้าห้าร้อยนั่นนะคงจะไม่ได้บอกว่ากี่คนคงจะแค่คนเดียวอาจจะมีสองคนบ้างหรือไงไม่รู้แต่ยังไงก็สามีอาจจะไม่ตายเหมือนนางก็ได้พ่อแม่พี่น้องบ้านเรือนไม่ถูกไฟไหม้ตาย วาผ่าตายกันทีนี้มาอีกองค์ก็ขอเล่าให้มันจบชุดนี้ก็แล้วกันนะชุดไปถึงอที่ที่แปดนี่ยแล้วกันวัดนิบัตแล้วก็จบกันแค่นั้นอีกองคหนึ่งชื่อว่าพระนางวาสิทธีเนี่ยเคยได้ยินวาสิทถีไหมนี่แหละครับนักปราชญ์เยอรมันเอาชื่อไปตั้งเป็นวาสิทธีแล้วไปจับคนละเรื่องกันเลยไปจับคู่กับพระปุกุสาติ ที่ไปตั้งชื่อว่าการมนิทผมดูแล้วประวัติไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่าอนางบาสิถีเนี่ยเป็นชาวสาวัตถีมีลูกตายแต่มีผลทําให้นางถึงก็เป็นบ้าหรือรักลูกมากนาำบ้าแล้วก็บ้าแบบชนิดที่เรียกว่าละเหเละล่อนไปจนกระทั่งไปที่เมืองมิธีลาเมืองของท่านมโหสถมโหสถนะครับไปถึงที่นั่นแล้วก็ได้ไปพบ พระพุทธเจ้าที่นั้นและเมื่อแค่ได้ไปพบพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเชื่อไหมครับว่าไอ้เนี่ยทนจะบอกเราพุทธานุภาพยังไม่ได้เทศอะไรเลยทําให้อนางเนี่ยหายบ้าเห็นแล้วเกิดศรัทธาพลังพุทธานุภาพมาบรรดาหายบ้าความบ้าหยุดชะ ง, งักจากนั้นพระเจ้าจึงได้แสดงธรรมและก็ทําให้นางออกบวชบรรลุเป็นพระล้าน อ่เอาละก็จกแค่นี้แล้วกันจบแค่นางวาติธีถ้าไปอินเดียแล้วไม่ได้กลับลนะ้วผมช่วยไม่ได้นะอาจารย์นีสามาต่อเองแล้วค่ะกลับขอบพระคุณอาจารย์สุเทพแทนพบเราทุกคนที่นี่ด้วยนะคะและทุกทุกคนที่จะได้ฟังเพจชุดนี้ของอาจารย์นั่นก็เป็นการบรรยายเรื่องการบรรลุธรรมของพระญาบุคคล อาจารย์ใช้คำว่าพระรยบุคคลเนี่ยแสดงให้